ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่สาธุชนผู้ฟังทุกท่านวันนี้พบกับรายการธรรม ส, สู่สันติในช่วงเวลานี้เป็นประจำทางสถานีแห่งนี้ อาตมาภาพในนามของคณะสงฆ์วัดหลวงพ่อสดธรรมกายารามในสถาบันพุทธภาวนาวิชาธรรมกายอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีวันนี้ขอนำประเด็นที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านได้บรรยายไว้ต่อจากข่าวที่แล้วหลวงพ่อท่านได้ชี้ถึงประเด็นที่ว่าผู้ที่วิพากวิจารณ์เกี่ยวกับวิชาธรรมกายของพระพุทธเจ้า ที่หลวงพ่อวัดปากน้ำได้ถ่ายทอดสั่งสอนเอาไว้นั้นเป็นผู้ที่ไม่รู้จริงจึงวิพากวิจาร์คือเป็นผู้ที่ไม่ได้ศึกษาและปฏิบัติคือเรียนรู้เฉพาะปริยัตแล้วเอาหลักปริยัตมาเป็นแนวทางในการวัดผลของการประพฤติปฏิบัติธรรมตามหลักสมถวิปัสสนากรรมฐานเพื่อทาพระนิพพานให้แจ้ง ดังที่พระพุทธองค์ตรัสไว้แสดงเอาไว้นั้นจึงทำให้ผู้วิพากษ์วิจาร์เหล่านั้นวิพากษ์วิจาร์แบบผิดๆอาจจะทำให้สาธุชนผู้ได้ยินได้ฟังข้อวิพากษ์วิจาร์เหล่านั้นหลงประเด็นมองไปว่าธรรมะปฏิบัติตามแนววิชาธรรมกายนั้นเป็นลัทธิหรือว่าเป็นสิ่งที่หลวงพ่อวัดปากน้าค้นพบขึ้นมาใหม่ซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่เป็นเช่นนั้น ธรรมะก็คือเป็นสัจธรรมความจริงที่มีอยู่คู่กับโลกหรือว่าคู่อยู่กับสิ่งเหล่านี้นี่เองแต่พระเดชพระคุณหลวงพ่อวัดปากน้านั้นได้ค้นวิธีปฏิบัติหรือได้แนะนำวิธีปฏิบัติให้เข้าถึงสภาวะธรรมเหล่านั้นเป็นวิธีหนึ่งในหลายๆวิธีที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้แนะแนวเอาไว้แต่ท่านผู้ ที่วิจารณ์ก็วิจารณ์ว่าฟันธงไปเลยว่าเป็นเรื่องที่ผิดซึ่งจริงๆแล้วก็ไม่ยุติธรรมลุงพ่อพระมหาเสริมชัยชยามังคลโลท่านได้พูดได้กล่าวไว้เช่นกันจึงขอเชิญท่านผู้ฟังทุกท่านมารับฟังเรื่องราวของการพิจารณาสภาวธรรมตามแนววิชาธรรมกายซึ่งลุงพ่อท่านพูดมาถึงตรงที่ว่าผู้วิพากษ์วิจารณ์ธรรมะปฏิบัตินั้นไม่ใช่รู้แจ้งเห็นจริง ไม่ใช่เป็นพระอริยะเพราะถ้าเป็นพระอริยะแล้วท่านจะรู้จะเข้าใจเรื่องราวเหล่านี้จึงขอเชิญท่านผู้ฟังทุกท่านมารับฟังจากหลวงพ่อพร้อมกันทาทุกบอกอกระผมทึุกบอกพระคุณเจ้าว่าบรรดาที่ชอบวิจารวิจาร์น่รู้จริงน่มีน้อย ปฏิบัติเข้าถึงรู้เห็นและเป็นจริงๆ ร, รู้จริงน่มีน้อยพูดตามเขามากนักพูดนักวิจาร์เต็มไปหมดและเก่งเหลือเกินแต่ว่าปฏิบัติให้เข้าถึงรู้เห็นและเป็นจริงๆมีน้อยเพราะฉะนั้นอันนี้ตรงนี้กระผมกราบเรียนพระคุณเจ้าว่าตั้งใจศึกษาปฏิบัติให้ดีเอาไปปฏิบัติตายแล้วไม่เสียชาติเกิด แนะนำสั่งสอนประชาชนในแนวทางที่ถูกต้องตามบูรพา j า n ได้ปฏิบัติเข้าถึงรู้เห็นและเป็นโดยมีวัตถุประสงค์สำคัญตามรอยบาทพระพุท ธ, ธองค์คือกำจัดกิเลสเหตุแห่งทุกข์ถ้าเดินตามนี้ไม่ผิดตามทางไตรสิกขาศีลสิกขาจิตตะสิกขาปัญญาสิกขา ให้สูงขึ้นไ ป, ไปเป็นอสิทธิศีลสิกขาอธิจิตตสิกขาอธิปัญญาสิกขามีในอยู่ในอริมักมีองค์แปดเดินตามนี้ไม่ผิดทางธรรมะหลวงพ่อวัดปากน้ำเดินอย่างนี้ไม่ผิดดีด้วยประเสริฐด้วยจะขอรับรองอย่างนี้ทีนี้พูดมาถึงเรื่องเก่าที่เราพูดมาเมื่อกี้สักนิด ว่าเห็นไหมภัยในวัฏะมันมีกี่มากน้อยเพียงแค่กินเหล้ามีคนกี่คนรู้ในโลกนี้แม้เป็นพุทธอ้างตนว่าเป็นพุทธเป็นพุทธนรู้กี่คนนั่นตายไปในขณะที่เมาหรือจิตคิดถึงเหล้าจิตดวงสุดท้ายนั่นเองเนี่ยที่จะเห็นกรรมนิมิตอารมณ์หรือกตินิมิตอารมณ์ก็คือภาพเก่าๆที่เคยทาไม่ดีไว้ นั่นอย่างหนึ่งเรียกว่ากรรมนิมิตอารมณ์หรือภาพนิมิต ท, ที่จะเห็นอาการที่จะไปเกิดข้างหน้าเรียกว่าคตินิมิตอารมณ์เนี่ยมันจะปรากฏให้เห็นก่อนตายเพราะจิตมันตกศูนย์เพราะฉะนั้นกรรมทั้งหลายที่กระทำไปโดยกายและวาจานั้นมีเจตนาความคิดอ่านดีก็ตามชั่วก็ตามประทับไว้ในใจในธาตุธรเห็นจาคิดรู้สุดกายหยาบกายละเอียดเหมือน เทปเขาเรคคอร์ดนี่เขากำลังบันทึกไว้อย่างนั้นเวลาก่อนจะตายจิตตกศูนย์มันก็เพล y เขาเรียกเพลคือเปิดกลับคืนมันก็ปรากฏขึ้นทั้งภาพเหมือนวิดีโอทั้งเสียงเห็นก่อนตายถ้าก่อนตายนึกเห็นแม้กำลังดวดเหล้าอยู่สบายชูแก้วรานึกว่าเก่งเต็มบรดาเออยิ่งในวงสังคมชั้นสูงตองแก้ว การเล็กๆสูงๆดื่มวายดื่มอะไรอย่างนั้นเนเล่าสารพัดเล่าโก้เต็มประดาไปเดี๋ยวพอตายแล้วอ้าวถึงแล้วผมถึงแล้วสวัสดีเลยที น, นี้นั่นแก้ตัวไม่ได้ซะแล้วหรือว่าเดี๋ยวโกรธคนเจ้าอารมณ์เจ้าโกรธเจ้าโทสะนี่ เปลี่ยนตามสายปฏิจจสมุปบาทธรรมทันทีนะธาตุธรรมหรือตัณหาราคาจัดเป็นไปตามนั่นเลยหลงมังู ม, มังอาราก็เป็นไปตามนั่นเลยเปลี่ยนแปลงตามสายปฏิจจสมุปบาทธรรมมันก็ประทับไว้ในธาตุธรรมเห็นจาคิดรู้ประทับไว้ในจิตสันดานเนี่ยภาษาเราพูดทุกกายเลยนะเรามีกายนับไม่วนนี่ทำผิดทำคิดดีคิดชั่วกายต่างๆนะ่มันมีปรากฏขึ้นมา ตามสายปฏิจจสุบาตธรรมนั้นเรียกว่ากายในกายซึ่งประกอบโดยเวทนาในเวทนาจิตในจิตและธรรมในธรรมมันก็อยู่ในกายในกายนั่นแหละนั่นแหละคิดดีก็าตามคิดชั่วกว็าตามพูดดีก็าตามพูดชั่วกว็าตามอยู่ในนั้นประทับหมดในนั้นถึงเวลาเขาจะปรากฏให้เราเห็นในก่อนตายเนี่ยนั่นแหละจิตดวงสุดท้าย แต่เห็นกําลังดื่มเหล้าอยู่แหมดีจังเลยตอนนั้นจิตเศร้าหมองหรือเคยทําความชั่วอะไรมันปรากฏตรงนั้นจิตเศร้าหมองไอดวงสุดท้ายก่อนจะตายเนี่ยมันตกศูนย์ไปยังศูนย์นยนยกลางกายฐานที่หปรุงเป็นดวงธรรมที่ทําให้เป็นกายใหม่มีใจซึ่งขุนมัวไม่ผ่องใสเป็นทุกคติซ้อนอยู่ปรากฏขึ้นมาใหม่ก็กายก็มีเลยเพระคุณเจ้าเข้าใจซะด้วยนะครับว่า เมื่อดวงธรรมดวงใหม่เกิดพร้อมกับใจดวงใหม่เกิดนั้นกายใหม่เกิดแล้วมีใหม่แล้วตามสายปฏิจจสมุปปาบาธรรมคืออย่างไรอวิชชาเป็นปัจจัยเกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยเกิดวิญญาณวิญญาณเป็นปัจจัยเกิดนามรูปเกิดแล้วกายกับใจเกิดทุกทีที่ใจเปลี่ยนแต่มันเป็นกายละเอียดเรามองไม่เห็นนี่แหละที่พระพุทธเจ้าตรัสให้พิจารณาเห็นกายในกาย ทั้งณภายในและณภายนอกแต่ว่าณภายในนั้นสําหรับกรณีที่ปฏิบัติยังไม่ถึงอย่างเรายังวิธีการอย่างนี้เบื้องต้นก็เอาปัจจัยในตัวเราใกล้ๆเรียกว่าเป็นณภายในกายเวทนาจิตธรรมอันนี้เอาของคนอื่นมาพิจารณาเรียกว่าณภายนอกเรื่องก็มีอยู่แค่นี้แต่ว่าถ้าทำละเอียดเข้าไปณภายนอกก็คือส่วนหยาบณภายในก็ละเอียดเข้าไปสุดละเอียด แล้ววิชาธรรมกายเนี่ดับหยาบไปหาละเอียดเรื่อยชําระถ้าธรรมอยู่เสมอจิตใจผ่องใสยอยู่เสมอถ้าธรรมตามนะถ้าไปททำตามช่วยไม่ได้คือบอกให้มีสติให้มีสัมปชัญญะปฏิบัติอยู่เสมอใจจดจ่อต่อเนื่องอยู่เสมอจะประเสริฐเลยทีเดียวนี่แต่ถ้าไม่ทำคนไม่ทำหน้าสงสารและหน้าเป็นห่วงเพราะว่าไอคิดผิดรู้ผิดเห็นผิดทาผิดแม้แวบหนึ่ง มันก th ็ไปทุกติแล้วทีนี้ถ้าทําบ่อยๆเข้ามันก็ประทับไปเยอะไอ้ก่อนตายมันก็ฉายหนังเน่ยเหมือนฉายหนังทีวีไอ้ของดีๆนานๆเห็นเห็นแต่ไอ้ของไม่ดีเดี๋ยวดอกเดี๋ยวดอกเดี๋ยวเห็นเดี๋ยวเห็นก็เสร็จสิทีนี้ใจก็เศร้าหมองที่เอาแล้วกันความดีเราไม่เคยทําเลยแล้วไปไงอ่ะหาที่พึ่งไม่ได้ใจก็เศร้าหมองกลัวก็กลัวมัรู้ตายแล้วไปยังไง บางทีคนจะเป็นเปรตเห็นตะทีมืดๆเห็นตะหุบเหวมันมืดๆกลัวสินี่พอยิ่งกลัวจิตใจเศร้าหมองพอดับจิตดวงสุดท้ายดับนั่นหมายความว่าตกศูนย์ไปยังศูนย์กลางกายฐานที่หดวงใหม่ก็ปรุงแต่งขึ้นมาเป็นจิตทุกขติกายก็กายทุกขติดวงทำรรก็ทำเป็นอกุศลธรรมเป็นทุกขติทำในธรรมก็เป็นทุกขติ ออกตามฐานต่างๆไปเกิดตามนั้นแหละนั่นแหละกรรมจําแนกสัตว์โลกให้แตกต่างกันเนี่ยไปเกิดเป็นอะไรก็ตามลักษณะของกรรมกรรมดีกรรมชั่วเกิดเลยภายในเจ็ดวันนะ่ยบางทีไม่ไอภายในเจ็วันนี่มันช้าอย่างเช่นพวกที่รถชนกันเนะี่ยมันตายไปเลยเนี่ยหรือว่าอุบัติเหตุตายไปเลยอย่างนั้นยังไม่ทันนึกถึงกรรมอะไร ก็เลยลอยๆอยู่เฉยๆนั่นแหละจนกระทั่งนึกได้ว่าเราเคยทำบุญมาหรือบาปมาก็เปลี่ยนเลยนะถ้านึกถึงบุญได้ก็ไปเลยสุคติท้านึกถึงบาปได้ก็ไปเลยบาปเกิดทุกกติทันทีเพราะเป็นโอปปปาติกะนี่มันตายแล้วมันหายแวบแปมก็เกิดขึ้นใหม่เลยโตเลยด้วยไม่ต้องเป็นเบบี้นะโตเลยนี่เป็นอย่างนี้ เพรนอันตรายมนุษย์นี่อันตรายพระก็เถอะอย่านึกว่าพ้นแล้วไม่พ้นหรอกครับลระคุณเจ้ายิ่งเป็นพระยิ่งหนักเข้าไปเลยเพราะว่าฟอร์มของเราเนี่เป็นฟอร์มพระอรหันนะครับพระอรหันท่านใส่เนี่ยคนเขาไหว้เขาก็นึกว่าคนมีศีลคนมีธรรมเขาเลยไหว้ เขาเลยกราบอันนี้สำคัญแล้วแถมยังถวายด้วยอะไรดีๆแล้วก็ทูลหัวเะวถวายวันนั้นยังอยู่กันไม่ค่อยได้เลยเขาให้หมดทุกอย่างแหละผ้าก็ดีๆให้พระก่อนอาหารก็ดีๆให้พระก่อนถวายก่อนข้าวก็ปากหม้อเลยทีเดียวลึกลงไปเดี๋ยวมันจะแฉ เอาข้าวดีๆถวายทั้งนั้นอันตรายนี่แหละคือภัยในวัฏฏะนี่เห็นเบื้องต้นอย่างนี้ไม่ใช่นั่งธรรมะแล้วอุ้ยมันสั่นขึ้นมาแล้วภัยในวัฏฏะมันกลัวอะไรก็ไม่รู้ไอ้นั้นไม่ใช่ไม่ใช่แล้วแถมยังบอกว่าเป็นยานด้วยไม่ใช่ยานนะครับไอ้กลัวอย่างนั้นไม่ใช่ยานนะ ไม่ใช่ยานกลัวภัยในวัตฏะไม่ใช่ไม่ใช่วิปาาัสนาญาณนะครับอันนั้นไม่ใช่หรอกจิตยังหาที่ตั้งไม่เจอหาที่เกาะไม่เจอไม่รู้อะไรเป็นอะไรมันนึกกลัวขึ้นมาเฉยๆนั่นเป็นบาปเป็นกรรมด้วยนี่นี่เห็นภัยในวัตฏะเห็นอย่างนี้แต่ถ้าเห็นละเอียดลงไปอีกเห็นถึงว่านั่งนั่งอยู่นี่เป็นอะไรเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา เดี๋ยวก็ตายนะตายแล้วก็เกิดเกิดแล้วก็ตายอย่างนี้เห็นอยู่อย่างนี้หนักๆก็เห็นความเกิดดับเกิดดับแล้วนะเขาโอ้ยมันก็ตายทางนั้นนั่งอยู่เนี่ยก็เลยเห็นจากความดับตรงนี้มันเห็นภายในวัฏฏะนี่มันเห็นละเอียดเข้าไปเป็นวิปัสนาญาณถ้าเห็นอย่างนี้ใช่แต่ไปนั่งอยู่ๆกลัวมันเหมือนกลัวผีแล้วครับางคนนั่งอยู่เฉยๆมันกลัวขึ้นมาเฉย ๆ, ๆไอ้นั่นไม่ใช่นะครับไอ้นั้มันกลัวไม่ได้เรื่อง ครับอันนั้นให้เข้าใจเสียไม่ใช่วิปัสนาญาณวิปัสนาญาณมันจะเกิดปัญญารู้อ๋อมันเป็นโทษอย่างนี้แล้วเราก็กลัวแต่บูรพ า, ารย์ท่านบรรยายความกลัวแมเหมือนกับว่าเห็นเสือสิงอะไรอย่างนั้นมันจะมากัดเราเนี่ยเราจะตายแน่อะไรอย่างนี้ท่านบรรยายไว้ให้เห็นว่าโทษของวัตฏสงสารมันน่ากลัวเพียงไร บางคนก็เลยพลอยเห็นเสือเห็นอะไรกลัวขึ้นมาอีกแล้วอย่างนั้นอย่างนั้นมันเป็นนิมิตลวงเกิดแต่การไม่ตั้งใจให้เข้ากลางของกลางเพราะฉะนั้นเห็นจาคิดรู้จึงเล่ไม่ตรงเมื่อไม่ตรงก็มีอย่างอื่นมาสอดมาแทกด้วยอำนาจของกรรมเก่าที่เราเคยมีมาก่อนบางทีก็เห็นเป็นเสือจะไลต่ตะครุบก็กลัวสิ บางทีมีเวรกรรมอยู่กับพวกบรรดาสำเวอศีบางทีเห็นเอากลัวอีกแล้วสั่นในกลัวแล้วไปบอกว่านี่เป็นยานวิปัสนาญาณไม่ใช่เนะพระเาะฉะนั้นอันนี้ให้เข้าใจแต่นี้คือภายในวัตตะตัวจริงที่เราควรจะเข้าใจพอเข้าใจแล้วเราจะกู้เลยกลัวเพระเาะฉะนั้นเมื่อรู้แล้วเราปฏิบัติธรรมแล้วต้องสารวมต้องระวังรักษา กายอย่าทำอะไรไม่ดีวาจาอย่าพูดอะไรไม่ดีใจให้สงบเอาไว้ถ้ามันเกิดจะโลภหรือตัณหาราคะหรือมันจะโกรธมันจะพยาบาทหรือมันจะอะไรอะไรหรือมันจะหลงพยายามนึกเข้าไปที่ศูนย์กลางกายสัมมาอรหังสัมมาอรหังไว้ ถ้านับหนึ่งถึงสิหรือสมมารหังสักสิบครั้งยังไม่หายก็เอาสัก20่สสิเพิ่มมาเป็นร้อยมาให้มันหายไปเองทําได้อย่างนี้จะกลายเป็นขันติบารมีนี่ต้องคนมีปัญญานี่ขันติบารมีมันจะเกิดต่อเมื่อมีศีลบารมีอาทานบารมีศีลบารมีทานไปนไงบริจาคเสียสลารู้จักเสียสลสระสิ่งของแล้วตอนหลังสละกิเลสตอนหลังเป็นอภัยทาน มันเลยกลายเป็นไม่โกรธโกรธไม่เป็นโกรธนานก็ไม่เป็นอาจจะโกรธนิดหน่อยเหมือนไฟไหม้ฟางแล้วก็หายนี่สำหรับในระดับพอสมควรแต่พระอริยเจ้าชั้นสูงท่านไม่โกรธ ถ, ถึงอนาคามีแล้วท่านไม่โกรธแล้วความขัดเคืองใจไม่มีนี่มันไปตั้งแต่ทานบา ร, รมีซื้อเสียสละบริจาคจนกระทั่งถึงเป็นอภัยาทานมันถึงไปเป็นขันติบา ร, รมีนี่ทานบา ร, รมีแล้วก็ศีลบา ร, รมี นี่นั่งเหมือนกันนะนั่งๆันั่งเนี่ยมันไปจากทานบารมีถ้าว่าไม่มีอยู่มีกินมานั่งนี้ไม่ได้หรอกมันทนไม่ได้หรอกมันหิวใช่ไหมต้องมีบารมีพอสมควรจึงมานั่งได้และด้วยความเราเคยเสียสละเราอดทนได้เรานั่งได้นี่มันจะเกี่ยวเนื่องกันไปหมดทานบารมีศีลบารมีเราก็เรียบร้อยได้ เ, เรียบร้อยได้ ถ้าไปอยู่ที่ท้องนามันต้องทำมาหากินทุกวันก็เดี๋ยวก็ปูเดี๋ยวก็กุ้งเดี๋ยวก็หอยกบเขียดไม่เว้นหมดปูปลามันก็ฆ่าสัตว์ทุกวันนี่เรามานี่ไม่ต้องฆ่านี่เห็นไหมละ่ะนี่ศีลบารมีมันเป็นอย่างนี้นะแล้วก็พวกบรรดาหมกมุ่นในกิเลสกรมเราก็ไม่เอานี่เรามาอยู่นี่สงบสบายสงบและสบาย แต่ถ้าเราไปวุ่นวายแล้วมันน้ำตาตกในพวกนั้นเนี่ยเออพวกอะไรอะรีรดีเขาวุ่นวายนี่เดี๋ยวทุกเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกเดี๋ยวสุขเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงอย่างนั้นแหะหักหนาเข้าเครียดผิดหวังมากๆเครียดไม่รู้จะทํายังไงแก่ไ่ถูกแล้วกระโดดตึกตายเลยอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมนี่อที่มันเป็นอยู่เนี่ยทั้งๆที่เรื่องไม่เป็นเรื่องเนาะไอ้กระโดดตึกไปถามดูเถอะบางทีไม่พอเป็นเรื่องเนาะสอบตกหน่อยนึงก็น้อยอกน้อยใจ เพราะยึดอัตตาตัวเองนั่นน่ะตัณหาอุปทานอน้อยอกน้อยใจว่าฉันทําดีไม่ได้เท่าเขาอยากกระนั้นเลยกระโดดตึกตายดีกว่าแหมมันง่ายจริงๆเลยแล้วนั่นแหละนับภพบนับชาติไม่ทวนล่ะทีนี้เป็นร้อยภพร้อยชาติเลยมันฆ่าตัวตายตลอดนี่แหละคนเขาไม่รู้นี่ทีนี้ศีลบารมีนี่มันช่วย เนคขมมะนี่เรามาปฏิบัติได้ทิ้งครอบครัวมาทิ้งอะไรมาได้มันจะเพิ่มพลังขึ้นเป็นบารมีนะบุญคุณความดีนี่มาไม่ได้มาไม่ได้แล้วก็มาจนได้อย่ายอมแพ้นะโยมอย่าไปยอมแพ้นึกถึงลูก ถ, ลถึงหลา น, นถึงน่นถึงนี่บางทีหลานมันโตถ้าจนไหนไหบางคนลูกโตแล้วก็ยังเป็นห่วงลูกอยู่บางคนหลานโตก็เป็นห่วงหลานอยู่อยู่อย่างนั้นแหละห่วงนั่นห่วงนี่มาไม่ได้แพ้ แพ้ชาตินี้ก็ไปอีกแล้วนับภพบนับชาติไปทุแพ้ไปอยู่นั่นแหละแต่ถ้าเราชนะได้แล้วมันจะเพิ่มภูนบุญบา ร, รมีเราเพิ่มภูนแล้วมันก็ทําได้นี่นะเนคขมมะเนี่ยมาอย่างนี้ได้นะมาประพฤติพรหมจรรย์ปัญญาบา ร, รมีมันก็เกิดเมื่อเรามาปฏิบัติศีลสมาธิปัญญามันก็เกิดวิริยะบา ร, รมีมันก็เกิดความเพียรก็เกิดคนใดความเพียรหย่อนแปลปัญญามันอ่อนบอกได้ไง่ายๆอย่างเนี้ย คนความเพียรยอต์คือปัญญามันอ่อนถ้าปัญญากล้าแข็งมันอยู่ไม่ได้หรอกเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะตายแล้วเหมือนเมื่อกี้อาัตามาบอกนี่ผู้เข้าใจแล้วจะเห็นภายในวัฏตะแล้วทนอยู่ไม่ได้หรอกครับถ้าปัญญาตรงนี้มันเกิดเมื่อไหร่แล้วมันทนอยู่ไม่ได้ครับต้องปฏิบัติมากน้อยวันหนึ่งต้องทำแหละครับและต้องล o ลึกเสมอศีล ส, สมาธิปัญญาต้องสารวจตัวเองอยู่เรื่อย จะเลาะแหละเล้วไหลไม่ได้เพราะมันตายเมื่อไหรไม่รู้นี่ครับพอมันตายแล้วถ้าเราอยู่ในสภาวะจิตใจบริสุทธิ์ผ่องใสมันก็สบายไปอย่างน้อยไปสวรรค์ก็ยังดีครับบางคนก็บอกสมถะนี่ไปแค่สวรรค์ไปแค่พรมให้เท่านั้นก็ให้มันได้ไปท่าน้ไอคนพูดมันไปแค่ไหนมันรู้ตัวหรือเปล่ารู้ตัวหรือเปล่าไอที่พูดวิจารเขาน่ะถ้า ศีลสมาธิไม่ดีพุทธเจ้าไม่สอนหรอกท่านสอนทั้งหมดแหละทานกุศลศีลกุศลภาวนากุศลและภาวนานี่ก็เป็นสองระดับคือสมาธิและปัญญาท่านสอนทั้งนั้นแหละนีแล้ว้าเผือจะไปบอกว่าผู้สอนกรรมฐานสายธรรมกายเนี่ยเอาแต่สมถะไม่ไปรู้ได้ยังไงว่าเขาสอนสมถะอย่างเดียวก็ปฏิบัติสมถะอย่างเดียวตัวเองอยู่เมืองไหนก็ไม่รู้ไม่เคยมาดูไม่เคยมารู้ ม, ม, ารมาเห็นนะ นั่งคิดเอาเพราะเห็นจากตำรานิดหน่อยก็คิดเอานี่เป็นอย่างนี้ครับแต่จริงๆแล้วธรรมะปฏิบัติมีวันนี้กระผมจะถวายนี่ทางมรรคผลนิพพานนี่บางท่านบอกเห็นหนังสือหนาๆบอกอ่านไม่ไหวไหวสิครับแค่นี้เองอเขาเรียนปริญญา呐นละุงพี่หลวงพ่อทราบไหมนี่ผมเรียนปริญญาโทนี่ยังไงรู้ไหมเจ็ดวันแรกเป็นไข้นะครับ อาจารย์นี่มาเนี่ยบอกตำราภาษาอังกฤษหนึ่งเล่มสองเล่มสามเล่มต้องไปอา่านแล้วพรุ่งนี้ส่งรายงานอา้าวพอตกบ่ายมาอีกอาจารย์หนึ่งบอกท่านไปอ่านอีกสองเล่มเจอก็ไปห้าเล่มเสร็จสิครับคืนนี้ก็อ่านใหญ่เลยดึกดื่นเที่ยงคืนก็ดูภาษาอังกฤษก็ไม่ใช่ภาษาเราด้วยอ่านก็ยากพอเจอเข้าไปเจ็วันก็ไข้จับสิครับ มันอ่านกันเป็นหนังสือเหมือนสายสาแหกเลยสายสาแหรกหามหาไปนะกว่าจะเรียนจบเนะิะไดปริญญาโทมันอย่างนั้นนะครับนี่แต่ละภาคแต่ละภาคต้องเยอะแยะอย่างนี้นักเข้าไปอีกปริญญาตรีเนะี่ยกับผมเนะี่ยผมเรียนสองอย่างพร้อมกันสองปริญญาเนะี่ยแต่ละปริญญาก็สิบสองวิชาสองปริญญายี่สิบสี่ เขาให้สอบสมัยเดียวปีหนึ่งให้สอบผลเดียวแต่ผลเดียวนั้นเขาเรียกว่าสมัยแรกถ้าสอบตกวิชาใดให้ซ่อมสมัยที่สองนี่ผมยี่สิบสี่วิชานะฮะต่อสมัยต่อปีแถมยังทำงานด้วยนะครับทางานด้วยแล้วดูหนังสือด้วยแตพระคุณเจ้านึกดูว่าผมจะต้องทำงานหนักแค่ไหน นั่นก็เป็นความมุ่งมั่นของพระเดช พ, พระคุณพระภาวนาวิสุทธิคุณในสมัยที่ท่านศึกษาเล่าเรียนไม่ว่าจะเป็นทางด้านวิชาการทางโลกหลวงพ่อท่านก็มีความมุ่งมั่นเป็นผู้มีจิตใจแน่วแน่ในการศึกษาหาความรู้จนสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทรัฐประศ า, าสนศาสตร์มหาบัณฑิตเกียรตินิยม ส่วนทางทางธรรมนั้นพระเดชพระคุณหลวงพ่อก็เมื่อบวชเข้ามาแล้วก็ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนทางด้านพระปริยัติธรรมจนจบนักธรรมชั้นเอกและเป็นป ร, ริยัติธรรมถึง6ประโยคก็จัดเข้าข่ายว่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านมีความมุ่งมั่นที่จะกระทําอะไรก็ทําอย่างจริงจังเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ ผู้ศึกษาและปฏิบัติธรรมสาธุชนก็คงจะได้เห็นแนวทางวันนี้ทางรายการได้นำสารธรรมที่ท่านแสดงไว้เนื่องในโครงการอุปรมพระกรรมฐานประจำปีที่วัดหลวงพ่อสดธรรมกายรามจัดให้มีขึ้นอยู่เป็นประจำและท่านได้ยกเอาสภาวะธรรมง่ายๆใกล้ๆตัวซึ่งบางทีเป็นปัญหาธรรมะพื้นพื้นแต่เหมือนกับเส้นผมบางภูเขา ผู้เรียนแต่ฝ่ายปริยัตฝ่ายเดียวก็ไม่เข้าใจแล้วก็นำมาโจมตีธรรมะอันบริสุทธิ์ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ท่านได้ตรัสแสดงไว้ดีแล้วสำหรับวันนี้เวลาของทางรายการก็หมดแล้วก่อนจากกันก็ขอเชิญท่านผู้ฟังทุกท่านอย่าลืมปฏิบัติภาวนาธรรมโดยการนึกถึงดวงแก้วกลมใส และท่องสัมมารอระหังสัมมารอระหังอยู่ที่ศูนย์กลางกายเหนือระดับสะดือของเราสองนิ้วมือเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่7นั่นเองแล้วก็ไม่ว่าจะนั่งอยู่ในอิริยาบถใดจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนก็สามารถปฏิบัติทำได้ถ้ามีเวลาก็กำหนดจิตพิจารณาสภาวธรรมณภายในที่ศูนย์กลางกายของเรานั่นเองท่องสัมมารอระหังสัมมารอระหังบริกรรมนิมิต บริกรรมภาวนาควบคู่กันไปจนกว่าใจจะหยุดจะนิ่งแล้วจะเห็นดวงกลมใสปรากฏขึ้นมาณนศะูนย์กลางกายเราก็หยุดในหยุดกลางของกลางทำอย่างนี้เรื่อยไปก็จะพบกับบรมสุขในใจของสาธุชนนั่นเองวันนี้ทางรายการก็นำสารธรรมมาฝากท่านสาธุชนหมดเวลาลงเพียงเท่านี้ขอเชิญท่านสาธุชนโปรดติดตามธรรมบรรยายเรื่อง การพิจารณาสภาวธรรมได้ในตอนต่อไปขอความสุขความเจริญและความรุ่งเรืองในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านเถิญเจริญพร